เขาไม่กล้าเปิดถ้าเปิดแล้วก็กลัวจะเราจะออกจากห้องไม่ทันแอร์ไม่ได้เปิดมาสองเดือนแล้วไม่รู้ว่าที่นั่นเป็นป่าช้าอะไรบ้างก็ไม่ทราบนั่นน่ะว่าตาช้าของศัพท์เท่าไหร่ก็ไม่ทราบคิดดูนะถ้าหากว่าห้องนี้ไม่ได้เปิดมาสองเดือนแล้วนะเจ้าของยิ้มบ อ, อกหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะนี้ทุกใช่เลยใมนทอาจารย์เจ้าค่ะ พะดีที่พระอาจารย์แสดงเรื่องของการวิจัยนีฮะว่าเป็นเรื่องของเรื่องใหญ่แล้วก็จะต้องมีองค์ประกอบมากแล้วก็ให้ใค่ายควรลงในอริยสัจหมดอะ่ะแต่มีพระอาจารย์เคยกล่าไวไ ว, ว้ช่วงหนึ่งว่าจะต้องมองให้ออกตลอดสายให้ได้ถึงจะทําการวิจัยได้เพราะว่าถ้ามองไม่ออกเนี่ยการเริ่มหรือว่าการปฏิปตอ่อที่จะนํามาค่ายควรเนี่ยจะทําให้ ไม่สามารถที่จะเบื่อหน่ายได้คะว่าอาจารย์ช่วยอธิบายคาว่าให้มองให้ออกให้ตลอดสายนะเจ้าค่ะคือตรงนี้เนี่ยคำถามเนี่ยถามไม่ยากแต่ตอบยากมากคือตอบยากเนี่ยว่าไอ้มาตรฐานเนี่ยมันอินทรีย์ของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันอย่างคำว่ามองตลอดสายเนี่ยหมายถึงว่ามองเส้นทางอย่างทะลุโ ป, ป ร, ปโรงคำว่าทะลุปปปโปรงคืออะไร ตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่บเบื้องต้นจนถึงอรหัตตมัชสมัยพุทธ ก, กาลเนี่ยพระพิสูจน์ที่ท่านจะเข้าป่านะที่ไปขอกรรมฐานเนี่ยท่านเรียนเบื้องต้นจนถึงอรหัตตมัชแล้วคนนั้นจะต้องฉลาดพอที่อาจารย์จะปล่อยให้ไปเนี่ยนะรู้ว่าคนนี้ปัญหาเหล่านี้มันเกิดเขาแก้ได้จริงๆเขาจึงปล่อยให้ไปทีนี้ถามว่าในยุคนี้ซึ่งเราทั้งหลายก็เป็นรุ่นที่เรียกว่ารุ่นใช้จดหมายทั้งคู่เนี่ยนะมันก็ยากเหมือนกันนะที่ ว่าเราพร้อมจะเปไปเป็นอื่นได้ไหมไอ้ตรงนี้ที่ที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ให้ดีๆว่าถ้าเรามองอะไรไม่ตลอดสายสมมติอย่างว่าเดินทางมาเนี่ยเราขับรถมาเองจากประเทศไทยเลยนะโดยผ่านพมา่าข้า ม, มาถึงอินเดียแล้วขับมาไหว้สังเวชนียสถานเนี่ยคิดว่าจะถึงไหมในบรรดาถนอนอย่างเงี้ยควรจะถึงไหมเอาโดยโด ย, โดยเหตุปจัจจัยหลายอย่าง น, นะ ถ้าศึกษาถนนโดยเพียงพอไม่เพียงพอจริงๆไม่ศึกษา อ, อ, องค์ประกอบหลายๆเรื่องนะไม่ใช่เลยจะมาได้ะนะไม่ไม่ใช่ของง่ายๆเลยนะแม้กระทั่งอย่างง่ายๆว่าขับรถในกรุงเทพเนี่ยเห็นชัดเลยนะถ้าไม่เข้าใจถนนไม่เข้าใจเส้นทางให้ดีๆเนี่ยไม่เหมือนต่างจังหวัดนะต่างจังหวัดอยากจอดถามใครก็ได้กรุงเทพนี่ไม่ใช่ว่าจะจอบถามใครก็ได้ขึ้นทางด่วนแล้วจอบถามใครวิ่งหาตำรวจทาง ด, วดนะ่วนเนอะไปถามคนขายบัตรแล้ว แล้วทีนี้ถ้าจะกลับไปหาคนขายบัตรคืนนี่ไปยังไงอีกอ่ะโอ้เรื่องมีแต่เรื่องยาวทั้งนั้นเลยนะการเดินทางจริงๆแล้วการปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนอย่างนั้นจริงๆเลยซึ่งขอมาพูดมานานแล้วพูดบ่อยแล้วถ้าหากว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะจิตหนึ่งดวงเท่ากับทรายหนึ่งเม็ดเนี่ยหรือจิตหนึ่งดวงที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับเดินทางแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งการเดินทางนะหรือถ้าเป็นเหมือนกับค้าขายว่าความคิดหนึ่งอย่างเท่ากับ หบาทเนี่ยสายขาดทุนกันยับเยินหมดเลยเพราะว่าโดยมากเนี่ยที่เราคิดตามคําสอนจริงๆเลยนะมีความเห็นเดียวกันตามคําสอนหมดเลยอะ่ะวันหนึ่งบ่อยไหมที่เหลือถ้าเห็นตรงกันข้ามกับคําสอนนั่นแหละคือมิจฉาปฏิปทาถ้าเราปฏิบัติตามสัมมาปฏิปทาคือทุกอย่างคิดตามคําสอนเห็นเหมือนกันกับที่พระพุทธเจ้าเห็นคือคือหมายความว่าอ่านพระไตรปิฎกแล้วไม่มีความรู้สึกว่าค้านท่านเลยในจิต แล้วเราเห็นด้วยตามนั้นเลยแล้วก็ทรงจำธรรมะเหล่านั้นบอกเห็นมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเห็นด้วยกับคําสอนเลยอันนั้นแหละเป็นเป็นสัมมาปฏิปทาเป็นถือว่าเป็นความรู้ที่เข้าใจตลอดสายมาเป็นอย่างดีไม่รู้สึกสงสัยแล้วก็ไม่มีความรู้สึกว่ามัวๆอ่านั่นแหละจึงจะเรียกว่าตลอดสายดีละแต่ถ้าอ่านไปดูมัวๆเหมือนกันเลอธิบายไม่ได้อธิบายให้ตัวเองก็ไม่ได้เนี่ยนะไม่ต้องอธิบายให้คนอื่นอธิบายให้ตัวเองฟังก็ยังไม่ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ ถ้าอย่างนั้นก็ถือว่ารู้สิ่งนั้นไม่ตลอดสายอาจารย์คะแล้วถ้ายังอ่านแล้วยังรู้สึกมโมโมอย่างที่พระอาจารย์กล่าวเนี่ยแล้วทาปริญญาไปอย่างเงี้ยจะแน่ใจเราจะตรวจสอบได้ไงว่าเราถูกคนอื่นไม่ทราบนะแต่ของมาเนี่ยใช้เรื่องเดียวนี้อาศัยดูบ่อยแล้วก็เก็บสถิติทางความคิดตัวเองด้วยว่าอย่างสูตรนี้เราอ่านเคยอ่านที่ไหนก่อนเราพลิกแป๊เราเคยอ่านที่ไหน แล้วตอนนั้นเนี่ยแนวโน้มเราเข้าใจแค่ไหนแล้วอ่านใหม่ดูแล้วอ่านใหม่นี้ต้องลืมไอ้วิธีอ่านแบบตอนก่อนอ่านแบบคิดแบบตอนก่อนต้องลืมให้หมดแล้วมาทําเหมือนกับเพิ่งอ่านครั้งแรกแล้วเทียบ ด, ดูกับครั้งที่อ่านครั้งก่อนหน้านั้นมาก็ส่วนหนึ่งก็ใช้วิธีนี้นะนะถ้าโดยส่วนตัวที่จะตรวจสอบเราเองเนี่ยนะแล้วก็สังเกตถึงความรู้สึกแต่ละช่วงแต่ละช่วงว่าความรู้สึกเหล่านี้เป็นไปตามแนวของคําสอนไหม แล้วก็ความคิดตัวนี้ถ้าถ้าเราเข้าใจตัวนี้ถูกมีสูตรใดรับรองบ้างเราก็ต้องหาที่อื่นๆมารับรองว่าอะที่เราเข้าใจนี่มันถูกหรือมันผิดอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ก็อาศัยความเป็นผู้สูตรค่อนข้างค่อนข้างมากจริงๆะนะจะต้องมันเป็นบริหารทางความคิดอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันที่โดยที่ไม่ให้ผิดพลาดเนี่ย น, นะพระอาจารยาค่ะ แล้วอย่างการที่เราเสาธยายพสูตรหรือว่าการที่เราค่้ควรมองมองวัตถุภายนอกหรือแม้แต่วัตถุภายในของเราให้เป็นปฏิจจสมุปบาทไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นเราเพิจ า, า, ารณาว่าชาชลามรณะโสกาปริเทวทุครมนัสและอุปายาตหรือไม่เราก็จะขู่รูปจกขู่และรูป เกิดจากขูวิญญาณรวมธรรมะสามประการอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่สามารถที่จะตรวจสอบหรือเช็คได้เข้าใจแล้วเนี่ยการที่เราแบบใคร่ควรอย่างนี้หรือว่าสาธยายเนี่ยมันจะเป็นการที่เหมือนกับเราเสพคุ้นหรือว่าให้เราคุ้นใช่ไหมเจ้าคะแต่ว่าในความเข้าใจจริงๆเนี่ยเราอาจจะไม่ถึงตรงนั้นก็ส่วนใหญ่ทั่วๆไปเนี่ย วิชาธรรมะเป็นวิชาที่เรียกว่าสัางสา ร, รวัตอาจจะเพิ่งเรียนก็ได้หรืออาจจะเพิ่งเคยได้ยินก็ได้อย่างนี้ทีนี้ทำยังไงบางหลายๆเรื่องให้คุ้นเคยกับสิ่งนั้นก่อนอบางเรื่องนี่เราต้องการให้เขาคุ้นเคยถ้าเขาคุ้นเคยในสิ่งนั้นนั้นแล้วเนี่ยมันคุยกันไม่ค่อยยากเขามาสนทนากับผู้มีความรู้จริงๆแล้วไม่รู้สึกหนักใจเลยถ้าถ้าถ้าเขาเหล่านั้นเป็นปฐุสูตรนะ คุยกับคนมีความรู้ที่หลักการมาตรฐานแม่นยำเนี่ยนะไม่รู้สึกลำบากใจในการพูดคุยกับเขาเลยถามว่าพเพราะอะไรเพราะว่าเขาเข้าใจเรื่องนั้นไม่ผิดพลาดมันสนธนาและเชื่อมโยงกันได้ใช้เวลาระยะเวลาค่อนข้างสั้นๆแต่ถ้าคนที่ศึกษาไม่มากเนี่ยนะมันอธิบายทุกคำอาศัยจากขู่กับรูปเกิดจากคู่วิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษะภษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเนี่ย เวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเชื่อไหมจริงๆแล้วคุยเรื่องนี้อยู่ครึ่งวันเช่นจักขคู่มีองค์ประกอบเท่าไหร่จักรคู่คืออะไรมีอะไรเป็นปัจจัยนะจักรคู่คืออะไรคือสลายยตนาสลายยตนะมีอะไรเป็นปัจจัยนามรูปแล้วนามรูปที่เป็นปัจจัยแก่สลายยตนะนี้อะไรบ้างแล้วนามรูปพวกนี้โดยเฉพาะกรรมมาชรูปแล้วกรรมใช่ไหมนําเกิดแล้ววิญ ญ, ญาณคือกรรมวิญ ญ, ญาณประเภทไหนที่ทําให้มีตาเป็นต้นีนี้อาศัยจักรคู่กับรูปเกิดจักขคู่วิญ ญ, ญาณ แล้วจักรคูอันนี้แล้วก็กับสีทั้งหลายในโลกเนี่ยแต่ละสีมีกี่สมุทฐานจะต้องไปวิจัยเรื่องสีแต่ละสมุทฐานที่เราที่เรารับสัมผัสมาเนี่ยนะแล้วจักรคูวิญญาณมันเกิดขึ้นนี่เป็นกุศลวิบากหรืออกุศลวิบากแล้วทั้งจกักรคูรูปจักรคูวิญญาณหนึ่งครั้งเนี่ยเรียกว่าหนึ่งพรษาถ้าเห็นสองครั้งก็ถือว่าได้สองพรรภาพรรษาษเหล่านี้เป็นปัจจัยแก่เวทนาสามทุกอัน แล้วเวทนาที่มาจากสีเขียวเป็นอารมณ์สีแดงเป็นอารมณ์สีขาวเป็นอารมณ์เป็นต้นก็ามาวิจัยแล้วมันเป็นปัจจัยแก่ตัณหายัางไงอีกในบรรดาตัณหาสามแล้วตัณหาสามเหล่านี้เป็นปัจจัยกับการยึดถืออย่างไงยึดถือแล้วตามด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอย่างไงแล้วมันนําเกิดต่อไปได้อย่างไงเนี่ยนะแล้วทําไมมันจึงนําเกิดได้ต่อไปเนี่ยมันเพราะอะไรเนี่ยโอ้เรื่องนี้ก็สมนวนนะถ้าแยกแยกะโดยละเอียดจริงๆแล้วคุยยาวมากนะ ท, ที่จะวิจัย ท่านก็เมื่อก็น่าคิดนะว่าพระพุทธเจ้าพิจารณาปฏิจจ า, าวิชาเป็นปัจัยกับสังขารเป็นต้นซึ่งเราใช้เวลาสวดครึ่งนาทีหรือนาทีจบแล้วเนี่ยพระพุองคิดอยู่ครึ่งคืนอย่างเงี้ยนะสี่ชั่วโมงเลยเนี่ยปัญญาระดับนั้นเนี่ยนะคิดอยู่ครึ่งคืนเลยเนี่ยท่านคิดว่ายังไงไอตรงนี้แหละที่หอมมาแปลกใจมากๆเลยตอนแรกๆกันนะเขาบอกว่าเทศธรรมะทั้งคืนเนี่ยพลิกๆดูมันก็มีไม่กี่หน้าเองอยู่ได้ยังไงกันทั้งคืน ก็ไม่ใช่พูดซ้ำแน่นอนนะไอ้ตรงนี้แหละที่ที่เรียกว่าเป็นโจทย์ที่ที่เราจะต้องหลุดโลกเหมือนกันนะหลุดยุคนี้แล้วไปคี่ตามคนยุคโบราณนะท่านคิดอะไรกันเนี่ยนะซึ่งตอนนี้ก็ของมาเองโดยส่วนตัวก็ยังอยู่ในโลกเหมือนกึน่งเพ้อฝันอยู่เหมือนกันว่าสมัยนั้นท่านคิดอะไรกันเราขอเข้าใจสิ่งที่ท่านคิดก่อนนะนะเราไม่ต้องว่าเอาเราไปเปรียบอะไรหรอก ขอให้รู้จักสิ่งที่ท่านคิ ด, คดว่าท่านคิดว่ายังไงทำไมท่านจึงคิดอย่างนั้นมันเพราะอะไรมันเพราะอะไรเนี่ยนะแต่ว่าคนที่ที่ที่จะตอบคำถามเหล่านี้ได้เนี่ยต้องข้อมูลเต็มเปี่ยมจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยโ้ฝุดอุทจาราะลสำนักปฏิบัติทั่วไปจึงไม่สอนให้คิดเพราะถ้าความรู้ไม่พอเนี่ยโอย้อาหารของอุทจาฉาชั้นดีเลย อาหารของความฟุ้งซ่านชั้นดีเลยในะในการตรึกพระธรรมนั้นการตรึกพระธรรมไม่ใช่เป็นของง่ายสักเท่าไหร่ถ้าข้อมูลไม่เพียงพอตรึกมาก็ทําไมจึงเป็นอย่างนั้นทําไมทําไมมันก็จะทําไมอย่างนี้ไปเรื่อยจนกว่าข้อมูลเราบอกว่าคิดอะไรบ่ะโจทย์มาปั๊บตอบได้หมดเลยจนไม่สงสัยแม้กระทั่งจะตั้งโจทย์แง่ไหนมาก็ช่างเลยจะไม่รู้สึกว่าต้องลำบากใจแม้แต่น้อยเกี่ยวกับโจทย์เหล่านั้นเหล่านั้นเนี่ยนะ ถ้าอย่างนั้นได้ก็แสดงว่าข้ามความสงสัยได้จริงๆแต่ถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ยังกล่อมตัวเองอยู่ตลอดเหมือนกับว่าจะต้องดีนะดีนะคือไม่มีความจริงๆแล้วไม่มั่นคงอ่ะนะเหมือนกับเดินขับถนนโดยอะไรนะขับถนนขี่รถจักรยานบนถนนในประเทศอินเดียเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุไม่เป็นไรปลอดภัยเสมอจะขี่กี่ร้อยกิโล ก, ก, ก, ก็ปลอดภัยเสมออันนี้มีอะไรนอกจากหลอกตัวเองไปใช่ไหมบนเส้นทางแบบนี้นะแล้วปั่นจักรยานเป็นร้อยกิโลบอกว่าปลอดภัยเนี่ย เขหลอกตัวเองดิถนนแบบนี้อ่ะนะใครปั่นจักรยานมานานๆเนี่ยจะรู้เนี่ยนะปั่นจักรยานต่างจังหวัดมากๆเนี่ยเขาจะรู้เลยเพราะขอมาปั่นจักรยานต่างจังหวัดน่าจะเป็นร้อยกิโละจะรู้ว่าไม่ง่ายสักเท่าไหร่เนี่ยนะในต่างจังหวัดแบบลักษณะนี้ก็ไม่ง่ายสักเท่าไหร่ดังั้นการศึกษาพระธรรมนั้นก็ก็เคยเคยมีความรู้สึกกรุณากับหลายๆท่านพอสมควรนะบอกโอ้โหนี่กี่ปีวเนี่ย เรานึกในใจขึ้นเลยนะโอ้โหเนี่ยศึกษาวันหนึ่งเข้าใจแค่นี้นะแล้วเขาแต่งตารางเวลาอย่างนี้นะโอ้โหอีกกี่ปีแล้วเนี่ยบางทีก็เคยคุยให้อาจารย์สันติฟังอาจารย์สันติเขาบอกก่ออย่างนี้แหละก็อพันธะมองในแง่าการวิจัยในระดับสูงระดับลึกคือระดับลึกจริงๆไม่ก็คือข้อมูลที่เรามีอยู่แล้วนั่นแหละแต่เอามาใช้ให้จริงๆอิง น, นะในโลกของการเอามาใช้งานที่เป็นจริงๆเลยอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ลึกเรื่องที่ใหญ่อีกเรื่องหนึ่งเลย ท่านกล่าวเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าให้แนวทางไว้เท่านั้นแต่ว่าเหมือนกับว่าเรายังจะต้องไปค้นคว้าเราจะต้องไปหาเหมือนกับพระเจ้าสอนไม่หมดหรือไงครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านคิดเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่ท่านกล่าวหรือว่าตรัสออกมาแล้วเลยครับเราจะต้องไปคิดวิธีการอะไรอีกต่างหากหรือเปล่าคือเหมือนอย่างว่าเนี่ยนะการเดินทางไกลเนี่ยมีใครอธิบายละเอียดทีเดียวเลยไหม อย่างอย่างหลายท่านเนี่ยรับเอกสารการเดินทางมาอินเดียเนี่ยสิบสี่วันใช่ไหมสิบสี่สิบห้าวันเนี่ยรับเอกสารไตนานแล้วใช่ไหมถามว่าการเดินทางทั้งหมดนี่อยู่แค่ตามเอกสารนั้นไหมมันก็ไม่ใช่ถามว่าในเอกสารนั้นพูดไม่สมบูรณ์ใช่ไหมก็คือควรรู้เท่านี้แหละนะถ้าถ้าจะพูดกว้างๆ ก, างก็เอาเท่านี้ก่อนเพราะถ้าขยายละเอียดเกินไปนี่ไม่รู้จะมากันหรือเปล่ามาเคุณต้องจะต้องเออเนี่ย สมว่าขึ้นละเอียดเลยนะพูดละเอียดยิบหมดเลยนะ คุณมาเนี่ยนะตั้งกับสนามบินแล้วคุณจะต้องมาเท่านั้นคุณต้องเดินเท่านั้นกี่ก้าวนะจากนั้นมากี่เมตรแล้วคุณจะต้องนั่งรอตรงนั้นถ้าคุณปวดสวัก ต, ต้องเดินขึ้นไปเอกห้องน้ําเนี่ยนะอีกห้าเมตรอย่าเงเงี้ยนะแล้วห้องน้ําเนี่ยเปิดประตูเข้าไปอีกสองเมตรครึ่งอย่างเงี้ยนะถ้าพูตามนั้นอย่างละเอียดทั้งหมดเนี่ยขึ้นเครื่องบินนะเครื่องบินเนี่ยมันจะต้องวิ่งกี่กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจึงกับบินขึ้นได้นักบินต้องเรียนมาเท่านั้นนะคุณมาลงตรงนั้นด่านแล้วคนนั้นมายยังงงงไไ ก็ไม่ต้องมาแล้อเนี่ยอา่านแต่ประวัติอันนั้นก็หมดอายุแล้วถ้ารู้ละเอียดทั้งหมดเหล่านั้นเลยนะถ้าทะลุปลุโรงทั้งหมดก็จะพูดได้แต่คร่าวๆหัวข้อใหญ่ๆเท่านั้นเองถ้าละเอียดยิบเลยจริงๆนะจิตตุบาทัการเนี่ยนั่นแหละละเอียดยิบถ้าให้ละเอียดหมดเลยนะถ้าพูดแบบไปถามว่าจิตเกิดขึ้นหนึ่งดวงหนึ่งอารมณ์มีเจตสิกประกอบเท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นในหนึ่งขณะแล้วขณะหนึ่งนะดวงที่สองถัดมามีเจตสิกประกอบเท่านั้นทั้งหมด แล้ววิเคราะห์โดยขันท่าอริยตนะมีวัตถุอย่างนั้นมีอารมณ์อย่างนั้นแล้วก็ไล่อย่างนี้ไปเรื่องอันนั้นเป็นกรรมเป็นผลของกรรมถ้าวิเคราะห์ละเอียดก็ไม่ต้องอะไรแลเชื่อเลยว่าไม่รู้มีคนนั่งฟังให้บ้างหรือเปล่าก็ไม่ทราบขึ้นต้นละเอียดยิบหมดเลยเนี่ยนะแล้วก็จะต้องพูดคร่าวๆแล้วปัญญาเข้าจะลึกขึ้นลึกขึ้นแล้วเขาก็จ ะ, เ ข, จะเข้าจะค่อยๆเห็นชัดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าละเอียดทีเดียวแล้วเนี่ยไม่เชื่อไหมมหานิเทศเป็นเล่มที่คนไม่ชอบอ่าน ยังไงยังมั่วชอบอ่านพานิเทศไหมชอบแล้วไอ้คาว่าชอบนี่หมายความว่าอ่านเป็นปกติเลยแต่คือจริงๆแล้วเรารู้สึกว่าดีแต่ไม่ใช่มีความสุขกับการอ่านเล่มเหล่านี้แต่รู้ว่าเออนี่มีมีมค่าเรียกว่าอะไรนะมีค่ามหาสารอูหมีดีจริงๆเลยแต่ว่าไม่ได้มีความสุขกับการอ่านเล่มเหล่านี้เลยถ้าทุกคนมีความสุขกับอ่านเล่มเหล่านี้นะพกมากันหมดแล้ใครเอาเล่มหกสิบห้าหกสหหกสิ็หกสิแปดหสบเก้ามาบ้าง ละเอียดทุกเรื่องเลยนะอาไม่เล่มเดียวเนี่ยหนึ่งในเล่มเหล่านี้เนี่ยนะทั้งหมดเหล่านี้นะขอมาเชื่อเลยว่าในห้องเราเนี่ยที่มาสามสิบหกคนไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เอาเล่มเหล่านี้มานะอนละเอียดยิบทุกคําหมดในนั้นอ่ะนะ<ต>ดีว่าท่านพิมพ์ไปยานเอาไว้บ้างถ้าไม่มีเปย์นะพิมพ์เต็มไปหมดนั่นก็โอยผูโหโห้ ก, การเอามาหกสิบแปดไม่ทูกการเอาเล่มสิบเจ็ดมาเรามหานิเทศมาไอเอาไอ มูลปริยญสูตรมาเล่มนั้นมาเพราะฉะนั้นถ้าเห็นว่ า, เ, าเหมือนว่าถ้าพองศ์ถามว่าพรงศ์พูดละเอียดหรือไม่คือถ้าอธิบายละเอียดยิบก็อย่างที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยนะเพราะบางคนไม่ควรรู้อะไรละเอียดเท่านั้นเกินไปเนี่ยนะไม่ควรรู้อะไรละเอียดจนเกินไปเพบางในบางบางกรณีก็รู้เฉพาะคร่าวๆเอาไว้ก่อนคร่าวๆเอาไว้ก่อนเพราะถ้าละเอียดยิบหมดก็ไม่ต้องไปไหนแล้วเหมือนกันแต่ว่าอย่าลืมว่าพราะองค์สอนคนที่มีบุญเก่ามานะ สอนคนที่เคยสั่งสมมาถ้าไม่เคยมีบุญเก่ามาไม่เคยสั่งสมมาเนี่ยเข้ามาไม่ได้หรอกมันมันไม่รู้จะสอนเขาว่ายังไงเขาเขาไม่อยากฟังอยู่แล้วเหมือนกับอย่างว่าอ่าที่จะมาอินเดียอย่างค่าใช้จ่ายแบบที่เราใช้อยู่กันเนี่ยที่มาเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเที่ยวชวนกันได้ครึ่งประเทศนะมาเที่ยวอย่างนี้ได้มาทําบุญอย่างนี้ได้หลายคนบอกเลยตรงๆเลยบอกไม่มีสตังค์ใช้คํานี้ขึ้นมาเลยนะ คือจริงๆเขาอาจจะมีพอที่จ่ายเรื่องนี้ได้แต่ถ้าเขาจ่ายเรื่องนี้ปั๊บมันชอดอีก10บ0ิเรื่องหมดเลยนนะมันมีปัญหาไปทุกเรื่องไปหมดเลยถ้าถ้าเข้ามาทำอย่างนี้ใช่ไหมเพราะการกิจกรรมที่มาอย่างนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของผู้ที่มีบุญแล้วผู้ที่จะฟังทำละเอียดละเอียดเข้าใจลึกซึ้งก็ต้องสังสมบุญเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยนะเพราะว่าผู้ที่มาอย่างนี้ที่จะฟังทำเรียนพระธรรมจริงๆแล้วก็มีไม่กี่กลุ่มเอง ในบรรดากลุ่มที่มาอินเดียเนี่ยนะก็ะที่ศึกษาพระธรรมอย่างละเอียดลึกซึ้งก็มีไม่กี่กลุ่มเองเพราะเขเป็นอย่างนี้จริงๆว่าไม่ไม่ใช่ของนายดังที่กล่าวไปเนี่ยนะวันจะว่าพระองค์ตรัสถายักขย่อนก็ไม่ใช่คือคือเกินกว่าที่เขาจะรับได้ถ้าอาธิบายละเอียดยิบไปหมดเลยเนี่ยนะนะนะก็ไม่น่าอภิธรรมจึงไม่ค่อยรุ่งเรืองเลยสำนักเรียนอภิธรรมเมื่อก่อนมีเยอะนะตอนนี้ยุบไปด้วยก็ค่อยยุบไปละ ย, ยุบไปยุบไปยุบไปอีกสักยีสิปีเนี่ยพี่ทำเมืองไทยไม่ทราบจะเหลือหรือเปล่าพระไตรปิฎกเนี่ยก็กระจายไปเต็มที่แล้วกลุ่มที่อ่านพระไตรปิฎกจริงๆมีกี่กลุ่มอ่ะน้อยเต็มทีน้อยเต็มทีให้รู้เท่าว่าเออเป็นอย่างนี้เนาะสังขารทั้งหลายเนี่ยเป็นเป็นเช่นนี้แหละคื อ, อพอย้อนคําถามที่ว่าไม่ใช่พระองค์ตรัสไม่สมบูรณ์ดีที่สุดแล้วเฉพาะเรื่องนั้นเพราะอธิบายละเอียดเท่านั้นนะยาก อย่างเช่นอะไรนะอย่างอวิอย่างปฏิจจสมุปบาทใช่ไหมอวิชชาปัจญญาสังขาราสังขาราปัจญาวิญญาณอวิชชาเป็นไนความไม่รู้ในทุกความไม่รู้ในทุกขสมุทัยความไม่รู้ในทุกขานิโรธความไม่รู้ในทุกขานิโรธคาไม่นีปฏิปทาความไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกไหนไม่รู้ชาติที่ทุกชะาทุกพญาที่ทุกความไม่รู้ในชาติที่ทุกคืออะไรเนี่ยถ้าอธิบายตามนั้นไปหมดก็ไม่ต้องเป็นปัจจัยแก่สังขารน่ะอยู่แค่อวิชชานั่นแหละ แล้วก็ให้เห็นหัวข้อคร่าวๆเอาไว้ก่อนเดี๋ยวต่อไปเขาจะค่อยๆพิจารณาละเอียดไปพันหลายๆเรื่องในี่ยพ่อของสอนผู้ที่มีปัญญามีบุญเก่ามาเยอะเนี่ยนะหลายๆคำเนี่ยที่เราใช้เวลาคิดหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะไม่รู้จะเขียนมาเป็นอักษรว่า ย, ยังไงให้มันเท่ากับที่คิดไม่ง่ายเลยเนี่ยใ ค, ใครที่เขียนหนังสือได้เนี่ยตัวเองคิดอย่างไรแล้วบรรจงมาเป็นตัวอักษรได้ทุกเม็ดความคิดเนี่ยโอย้เก่งมากเนี่ยนะถ้าทําได้ตามนั้นจริงๆนีย เพราะเรื่องที่เร า, อ ย, าอย่างเหตุการณ์ที่เรามาตั้งกต่วันนี้ไปจนถึงขากลับไปนะถ้าบันทึกอย่างละเอียดทุกขั้นตอนทุกข้อมูลที่เรามาเกี่ยวข้องอะไรถามว่าควรจะเป็นหนังสือเล่มขนาดไหนดีพอมาเชื่อว่าอาจจะเป็นเครือบอก็ได้ความหนาของหนังสือถ้าอธิบายละเอียดเนี่ยนะตลอดเส้นทางที่ผ่านมาในวิญญาณทั้งหมดที่ทเรารับทุกทวาร อ, อไม่ไม่ธรรมดาเล ย, ยนะในส่วนอื่นๆมีอะไรไหม ซึ่งถ้าไม่มีก็อยากจะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องอุโบสถบ้างะนะในสักกะสูตรสักกะสูตรสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณ น, นิโครทารามใกล้กรุงกบิลพัท ส, สักกะชนบทครั้งนั้นแลอุบาสกชาวสักกะชนบทเป็นอันมากนะโดยมากก็เป็นพญาติของพระองค์นั่นแหละได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับในวันอุโบสถก็คือวันกี่ค่ำ สิบห้าคั่มใช่หมถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสถามอุบาสกชาวสักกะชนบทว่าดูกร อ, อุบาสกชาวสักกะชนบททั้งหลายท่านทั้งหลายย่อมรักษาอุโบสถประกอบไปด้วยองค์แปดแลหรือะของเราก็ตอบสบายเลยใช่ไหมหลายท่านก็รักษาเอ้ยในห้องเรายกมือขึ้นหนะ้กี่ ค, คน คนที่ไม่รักษาก็ไม่ต้องน้อยใจหรอกแต่ถามดูคนที่รักษาหนึ่งสองสามสี่มังเอ่อมังมก็นับแบบมั่งมังหนึ่งสองสาสี่หกเจ็ดแปดเก้าโหสิบคนเอ่อสิบคู่ก็20ี่สิบกว่าคนอะไนระก็รักษายี่กว่าท่านด้วยกันแลก็รักษาอุโบสถกันเยอะนะผู้ที่รักษาอุโบสถเหล่านี้ฮะ ถ, ถ้าเป็นสูตรนี้ถามปั๊บอย่างนี้เราก็ยิ้มได้แล้วใช่ไหม ถ้าไม่ได้รักษาก็เอกชักไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ท่านทั้งหลายย่อมรักษาอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปดแลหรืออุบาสกชาวสักกะชนบทก็กราบทูลว่าข้าแต่พระ อ, องค์ผู้จเจริญบางคราวข้าพระ อ, องค์ทั้งหลายย่อมรักษาอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปดบางคราวก็ไม่ได้รักษาพระพุทธเจ้าค่าโอ้ตอบยมนุษเลยอุบาสกพระ อ, องค์ก็ตรัสว่าดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลายไม่เป็นลาภของท่านทั้งหลายเสียแล้ว ท่านทั้งหลายไม่ได้ดีเสียแลว้วที่ท่านทั้งหลายเมื่อชีวิตมีภยัยนะเพราะความโศกะนะชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมีภัยเพราะโศกกะใช่ไหมเราถามว่าชีวิตนี้เราเกิดมาเราดีใจบ่อยหรือโศกบ่อยโศ ก, กบ่อยก็คือเครียดนะนะโศกบ่อยไม่สบายใจบ่อยๆเป็นต้นนั่นแหละชีวิตนี้มีภัยเพราะความตายอยู่อย่างนี้คือทุกคนก็เดินหน้าไปสู่ความตายอยู่แล้วใช่ไหมก็รอความตายไปก็ไปเพื่อรอความตาย นั่งก็นั่งรอความตายเนี่ยเช่นนั่งฟังทาให้หมดเวลานอนให้หมดเวลาก็แปลว่าอะไรก็ขยับไปเรื่อยขบับขับไปเรื่อยไปสู่ความตายเป็นไปอย่างนี้เรื่อยเรื่อยเรืยเพรา ะ, ะนั้นภยัยภัยของชีวิตภัยนี่แปลว่าความน่ากลัวของชีวิตความน่ากลัวของชีวิตข้อแรกก็คือเสียใจบ่อยอนะเสียใจบ่อยนั่งยิ้มแบบผาสุกกับเครียดบ่อยอะไรมากกว่ากัน เคียดบ่อเนี่ยถ้ายิ่งคนเนี่ยถ้าไปอยู่คนเดียวเงียบๆด้วยจะเห็นชัดถ้าอยู่กับพวกอาจจะด้วยอำนาจอะไรนะสะสังขารีกมันก็เลยโสมนัสกันเป็นแต่ถ้าอยู่คนเดียวเงียบๆจริงๆแล้วแล้ ะ, ะคิดโสมนัสได้นี่เก่งมากเลยอยู่คนเดียวนะโดยที่ไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นทำกับใครเลยไม่มีธุระทั้งวันเลยนะอยู่คนเดียวเงียบๆอยู่อย่างสบายใจนี่ไะผู้การทําได้ยังยคุณไม่ไม่มีกิจกรรมอ่านธรรมะนะไม่มีอ่านไม่มีฟังไหมไม่มี ได้ไหมอมันแล้วมันคิดได้กี่นาทีอ่ะอ๋อต้องดูรูปไม่ไม่มีเครื่องมือเลยนะไม่มีอ่ะอใช้ความคิดอย่างเดียวอ่ะแปล ว, ว่าปิดห้องเงืบให้ไม่นอนทั้งคืนเอ่ะกลับห้องเนี่ยทั้งคืนเลยนะแล้วปิดไฟ ป, ปิดอะไรให้หมดแล้วคืนนั้นเป็นคืนที่นอนไม่หลับนะอ่ะเอ่ า, ย า, ยาไ ด, ไได้ถ้าสาธยายได้แล้วจะสาธยายด้วยโสมนะหรือเวกขา เชื่อจริงๆและคนที่อยู่ด้วยโสมน่ะจริงๆมีน้อยน ะ, อ, นะอาจจะมีบ้างะนะแต่ว่าไม่นานไม่มากอาก็ไม่ถามว่ามันทุกวันได้อย่างนั้นไหมจริงๆไม่หล่ <c oughs> คือในบรรดาวันหนึ่งมันยี่สิบี่ชั่วโมงเดือนหนึ่งตั้งสาสิบวันเนี่ยนะ <c oughs> แล้วถามว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยมันไดทท้ที่ที่ที่อยู่อย่างมีความสุขจริงๆเน่กกี่นาทีเนี่ยนะ <c oughs> ถ้าเราเทียบกับไอตอนที่ไม่สบายใจเนี่ยนะ <c oughs> เราแยกออกสองส่วนออกมาเนี่ยนะ หรืออีในหนึ่งก็คืออยากจะแยกว่ากุศลกับอกุศลอันไหนมากกว่ากันนะนีจริงๆอกุศล ก, ก็มากกว่าเนี่ยนะเพราคือความโศกเนี่ยสัตว์ทั้งหลายจริงๆว่าโดยรวมๆและหมู่สัตว์เนี่ยไม่สบายใจอยู่เนืองๆจะมีบ้างะนะแต่ว่าไม่นานไม่มากาก็ไม่ถามว่ามันทุกวันได้อย่างนั้นไหมจริงๆไม่หลยคือในบรรดาวันหนึ่งมันยี่ชั่วโมงเดือนหนึ่งตั้ง30ิวันเนี่ยนะ แล้วถามว่าในหนึ่งเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยมันได้ที่ที่ที่ที่อยู่อย่างมีความสุขจริงๆในกี่นาทีเนี่ยนะถ้าเราเทียบกับไอตอนที่ไม่สบายใจเนี่ยนะเราแยกออกสองส่วนออกมาเนี่ยนะหเออในหนึ่งก็คืออยากจะแยกว่ากุศลกับอกุศลอันไหนมากกว่ากันนะนะจริงก็อกุศลก็มากกว่าเนี่ยนะทัภัยคือความแต่ว่าจะรู้ตัวเองหรือเปล่าแค่นั้นแหละเนี่ยจะรู้ตัวเองหรือเปล่าเพราะทุกคนมันคือคนป่วยทางความคิดอ่ะนะ จะรู้ตัวว่าตัวเองไข้ขึ้นหรื อ, อยังตอนนี้หรือตอนนี้ไข้มันลดหรืออะไรเพียงแต่ว่ามีเครื่องมือตรวจตัวเองแค่ไหนเท่านั้นแหละแต่จริงๆแล้วถ้าโดยรวมๆแล้วโดยมากหมูสัตว์ไม่สบายใจเป็นส่วนใหญ่ทุกคนมีความกังวลอยู่มีเรื่องที่ตัวเองยังกังวลอีกตั้งหลายเรื่องเนี่ยนะมีสิ่งที่ตัวเองไม่สบายใจอยู่ตั้งตั้งหลายเรื่องเนี่ยนะตั้งหลายเรื่องด้วยกันมานสิการสิ่งนั้นตับเหมือนตกเหวเลยทันทีเลยนะ คือถ้าผู้ที่เป็นพระอริยะจริงๆแล้วเนี่ยท่านคิดถึงอารมณ์ไหนท่านจะจะไม่ไม่ใช่ปัญหาเลยท่านนึกอะไรก็สบายใจได้หมดเลยนั่นคือโลกของพระหรืยเจ้าทั้งหลายแต่ถ้าพระเป็นของปุถุชนทั้งหลายไม่ใช่อย่างนั้นนึกแล้วก็เดี๋ยวก็ไม่สบายใจนึกไปนึกมาเอาเขชักไม่ค่อยสนุกแล้วไม่โสมนัติแล้วแล้วก็ทุกคนก็มีภัยที่น่ากลัวอย่างหนึ่งคือความตายทุกคนนึกจริงๆแล้วกลัวตายกันหมดเลยนะีย ถ้าไม่กลัวตายเน่าจะใช้ชีวิตอีกอย่างหนึ่งเลยแต่เนื่องจากว่าอะไรกลัวตายใช่ไหมอย่างบางอย่างนะเราไม่จําเป็นจะต้องทําแต่เราทําเดี๋ยวถ้าไม่ทงนี้เดี๋ยวตายนะนะดูแลห่วงแหนทนุถนอมงั้นกิจกรรมรวมๆที่ทำก็เพราะกลัวตายเนี่ยนะจริงๆแล้วกลัวตายถ้าอย่างรถเนี่ยทําไมจะต้องเอาเหล็กมาทําจะต้องอะไรมันมั่นคงแข็งแรงอะไรนักเนี่ยนะเป็นต้นเนี่ยก็จริงๆก็เพราะกลัวตายนั่นแหละพันไผ่คือความโศกภัยคือความตายอยู่อย่างนี้อะไนะ จริงๆแล้วชีวิตเมื่ อ, อสิ่งที่ตั้งแห่งความโศกกว่าเยอะที่ตั้งแห่งความตายหรือปัจจัยแห่งความตายก็มากแต่ละอย่างก็น่ากลัวทั้งนั้นเลยทําไมหนอท่านทั้งหลายบางคราวก็รักษาอุโบสถอันประกอบไปด้วยองค์แปดบางคราวก็ไม่ได้รักษา ดูก่อนอุบาสกชาวสากตะทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนะบุรุษในโลกนี้พึงยังทรัพบเก่งกระหาปณ ะ, ะให้เกิดขึ้นทุกวนันทุกวันด้วยการงานอันชอบทาโดยไม่แต่ต้องอกุศลเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นบุรุษฉลาดสมบูรณ์ด้วยความมัน่นคือสามารถหาเงินได้วันละสองบาทนะเก่งกะหาปณ ะ, ะก็ประมาณ2บาทเนี่ยนะบาทโบราณนะ่นะก็สมัยนี้ก็สักร้อยส0บาทเนี่ยนะ ก็หาได้วันละ200บาทอย่างงี้ยเโดยที่ไม่เปื้อนด้วยอกุศลไหมเพราะว่าไม่ต้องไปไม่ได้เกิดจากการลักทรัพย์ฆ่าทรัพย์จากทุจริตทุอาชีพทุจริตมาเนี่ยนะมาโดยอาชีพสุจริตว่าวเรียกว่าคนฉลาดใช่ไหมอุบาสกก็บอกว่าสมควรกล่าวได้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าค้าดูก่อนอุบาสกชาวสักตะทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นชนะไหนบุรุษในโลกนี้พึงยังทรัพย์ กระหาปณะหนึ่งให้เกิดขึ้นทุกวันทุกวันด้วยการงานอันชอบโดยไม่แตะต้องอกุศลเลยหมายความว่าได้วันรายได้ประมาณวันละห้าร้อยวันละห้าร้อยสี่รอยห้า้อยทุกวันทุกวันเนี่ยนะสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นบุรุษผู้ฉลาดสมบูรณ์ด้วยความมันกระอกสมควรดูกรอนอุบาศกทั้งหลายบุคคลในโลกนี้สามารถหาได้รายได้วันละสองกหาปณะสามกหาปณ ะ, ะ4ี่ห้าหก็ดปดเก้าตลอดจนถึงวันละหนึ่งร้อกหาปณะนะ คือสามารถหาไรายได้วันละแสนยังไงนีวันละแสนวันละวันละหนึ่งแสวันละหนึ่งแส น, แส น, แสนเดือนหนึ่งได้ประมาณสาล้านเนยนะปีเดือนละสามล้านปีหนึ่งก็ทักสามสิบหกล้านเนี่ยนะปีละสาสิบหกล้านเนี่ยนะเกิดขึ้นอย่างนี้โดยไม่แต่ต้องอกุศลเลยสมควรจะกล่าวได้หรือไม่ว่าเป็นบุรุษผู้ฉลาดสมบูรณ์ด้วยความมั่นคําพเจ้าตอบได้ดูก่อนอุบาสกชาวสา ก, ก่าทั้งหลายท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นฉนะัยบุรุษนั้นเมื่อ ย, ยังทรัพย์ ร้อยกหาปณะนะพันกหาปณ ะ, ะให้เกิดขึ้นทุกวันทุกวันเก็บทรัพย์ที่ตนได้แล้วได้แล้วเอาไว้เป็นผู้มีชีวิตอยู่ร้อปีจะประสบกองโภคสมบัติเป็นอันมากได้บ้างหรือหนออ น, นะสร ว, ว่าปีละ36บล้านปีละ36บล้านทำอยู่อย่างนี้ร้อยปีเนี่ยเขาจะเป็นคนรวยเลยใช่ไหเป็นเศรษฐีเลยใช่ไหมบอกว่าใช่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ดูกรุบาศกชาวสกกะทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไงบุรุษนั้นจะเพิ่งเสวยความสุขโดยส่วนเดียวอยู่หนึ่งวันหนึ่งคืนหรือครึ่งวันครึ่งคืนเนี่ยนะเพราะอันมีโภกคสมบัติเป็นเหตุมีโภกคสมบัติเป็นแดนเกิดมีโภกคสมบัติเป็นที่ตั้งบ้างหรือหนอมีไหมถ้าเป็นมหาเศรษฐีมีสักห้าหมื่นล้านเนี่ยนะเสวยนั่งยิ้มอย่างมีความสุขอยู่ทั้งวันทั้งคืนหรือครึ่งวันก็ได้อะถามว่าจะเป็นไปได้ไหมเพราะมีทรัพย์เท่านั้นแล้วนั่งยิ้ม อย่างเดียวเลยนะยิ้มอย่างมีความสุขเลยเป็นงั้นไหมไม่พึงเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกพระเจ้าค่าเดี๋ยวนะพระองค์ก็ถามว่าทําไมอะ่ะเพราะเหตุอะไรอะ่ะทำไมมีมีขนาดนั้นน่าจะมีความสุขใช่ไหมน่าจะนั่งยิ้มอย่างมีความสุขเนี่ย น, นะอุวาศ ก, ก็กล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของว่างเปล่าเป็นของหลอกลวงเป็นของมีความชิบหายเป็นธรรมดา จะนั่งนิมได้ยังไงเพราะปัจจัยแห่งความเสียหายมันเยอะเหลือเกินน่ะนะไอ้หานี่มันหายยากแต่ว่ารักษานี่ยาก